สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู200ครับอุปมาสุดท้ายแถววงนุ่ตอนที่สซึ่งเป็นตอนสรุปตอนสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจากพระชนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับเราได้อ่านกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้เราพบว่าในที่สุดแล้วนะครับพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เราควรจะมีกับพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเยซูคริส ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นมาให้เป็นกิ่งนะครับให้เป็นกิ่งขององุ่นนี้พี่น้องครับพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับและให้เราเข้าใจชัดเจนว่าในข้อที่แปดครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพี่น้องครับขณะที่เราเป็นคริสเตียนนั้น ถ้าถามว่า อ, se, อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาที่ให้เราทานะครับอะไรเป็นพระประสงค์สูงสุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นก็คือว่าให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือความปรารถนาเป็นเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัจักรสิ่งในโลกนี้เพื่อเป็นที่พระเจ้าจะ ได้มีพระเริได้รับเกียรติได้รับคําสัมเสริญจากพวกเราทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานและพอพระไัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเราจะต้องเกิดผลครับและจะต้องเกิดผลมากนะครับและเมื่อเกิดผลมากแล้วเราก็จะถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับบทสรุปในเช้าวันนี้ก็คือเราจะรู้ว่าการเกิดผลนั้นธรรมชาติของการเกิดผล ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วยลาเพียงค่าคืนเดียวหรือพริบตาเดียวนะครับขนงนะครับบนถาวงหงุนจะต้องมีการรดน้ำครับและถูกลิศอย่างเอาใจใส่จากพระเจ้าและขนงนั้นก็จะเติบโตนะครับและเมื่อขนงนั้นเติบโตพอที่จะเกิดผลได้ชาวสวนก็จะตรวจ ด, ดูและก็ตกแต่งขนงอย่างระมัดระวังครับเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรที่จาเป็นต้องลิแล้ว อ, ออกบ้างหรือไม่ ชาวสวนนั้นต้องการให้เกิดผลมากมายเช่นเดียวกันครับเจ้าของสวนหรือชาวสวนซึ่งเป็นพระบิดาจะริษจชีวิตของเราและตรวจดูชีวิตของเรานะครับผู้เชื่อทุกคนก็ไม่ได้เกิดผลในทันทีทันใดครับเขาจะต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาและจะต้องทําสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของเขาด้วยเพื่อว่าเขาจะสามารถติดชนิดกับพระเจ้าได้ติดชนิดใน ขแขนงนะครับขแขนงที่ติดสนิทกับกิ่งก็คือผู้ที่ติดสนิทในพระเยรสุขิดเมื่อเราติดสนิทกับพระเยรสุขิดนะครับจนกระทั่งถึงระดับของการฝังนะครับลงไปในจิตสํานึกของเรานะครับฝังลงไปในจิตสํานึกของเราการแสดงออกนะครับซึ่งการติดสนิทนั้นก็จะกลับกลายเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่เกิดเป็นชีวิตประจําวันของเราได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องฝึกวิเนัยนะครับในชีวิตของเราที่จะที่ฐานที่อ่านพระคัมภีร์นะครับที่จะตั้งใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานตนเองฝึกหัดนะครับฝึกฝนตัวเองในการเชื่อฟังต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเราจะต้องตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราที่มันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเรามันจะมีผลกระทบกับการเกิดผลของเรานะครับ หลายๆครั้งทีเดียวเราต้องนั่งตรวจสอบชีวิตของเราโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรบ้างหรือมีบาปอะไรบ้างที่ติดนะครับเป็นนิสัยจะต้องถูกติดออกไปหรือมีบาปอะไรบ้างที่เราอาจจะซุกซ่อนอยู่ในบางมุมมืดของหัวใจของเราเ น, นะครับสิ่งเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาแต่ว่าพี่น้องจะต้องรีบนะครับนะครับรีบที่จะให้พระเจ้า ได้กำจัดสิ่งเหล่านี้หรือหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราครับอย่าปล่อยนะครับหรืออย่าปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่หรืออย่าปล่อยให้มันเป็นสนิมที่กัดก่อนชีวิตของเราอยู่และในที่สุดแล้วคริสเตียนนะครับจะตระหนักว่าเขาไม่ต้องบังคับตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์ครับนะครับเขาไม่ต้องบังคับตัวเองให้อธิษฐานครับมันจะเป็นธรรมชาติมันจะเป็นอุปนิสัยที่ดีที่ติดตัวสาวกของพระองค์ทุกคนครับและนี่จะกลายเป็นนิสัยไปเลยนะครับ ฝังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึกเวลามีอะไรก็จะคิดถึงพระเจ้าก่อนเวลามีอะไรนะครับก็จะอธิษฐานก่อนเวลามีอะไรก็จะบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ก่อนเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ก่อนสิ่งอื่นใดนี่คือความอุปนิสัยนะครับที่ฝังเข้าไปอยู่ในสายเลือดนะครับหรือใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือว่าฝังเข้าไปอยู่ใน DNA ของเราแล้วเมื่อเราคิดถึงเรื่องอะไร เราจะคิดถึงเรื่องการทําให้พระเจ้าพอพระไทยเสมอพี่น้องครับเมื่อเราทําอะไรเราต้องถามพระเจ้าก่อนเสมอว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าพี่นะครับมีสักกี่ครั้งครับในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่เราตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราคิดถึงพระเจ้าก่อนครับมีกี่ครั้งในชีวิตของเราแต่ละวันครับที่เราคิดถึงพระเจ้าคำถามง่ายๆก็คือว่าเราคิดถึงพระเจ้ากี่ครั้งต่อวันครับพี่น้องครับ มีชีวิตของมิชชนนรีที่ได้เป็นพยานว่าลูกของเขาขณะที่เขาเรียนประถมศึกษาตอนต้นนะครับมิชชนนรีครอบครัวนั้นก็จะต้องจัดระเบียบชีวิตให้กับลูกๆนะครับในแต่ละคืนเขาจะให้ลูกของเขาเนี่ยเตรียมเครื่องแบบนักเรียนที่จะใสในวันรุ่งขึ้นนะครับแพ็ค ก, กระเป๋านะครับจัดตารางสอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้องแต่งตัวเองแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกๆวันซึ่งจะทําก่อนก็คือ อ่านพัฒั์กำพครับอ่านพัฒัมภีรีแต่เมื่อพวกเขาทำอย่างนี้นะครับนะฮะทุกทุกวันทุกท ก, ทกวันพอลูกขึ้นมาเป็นชั้นมัธยมลูกก็เริ่มที่จะซึมซับเข้าไปอยู่ใน DNA ของลูกของเขานะครับจนกระทั่งลูกนะครับสี่คนไปอยู่ที่อเมริกาพวกเขาก็ยังรายงานกลับมาว่าเขาจะต้องอ่านพัฒน์กำพ์นะครับก่อนไปทำงานหรือบางคนอ่านพัฒนมกำีก่อนไปโรงเรียน เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของเขาครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีวันไหนเลยที่พวกเขาไม่อ่านพระกัมพีไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่อธิษฐานไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่สำรวจตัวเองสารภาพบาปไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะมีความรู้สึกว่าห่างจากพระเจ้าพี่น้องครับอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เล ย, มยไมครับอยากจะให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ไหมครับเราจะต้องฝึกนะครับให้เข้าสนิทในพระคิดให้ได้ ผู้เชื่อที่เข้าสนิทในพระคิดนั้นเขาจะรับรู้ได้ทันทีครับขณะที่การหล่อเลี้ยงนั้นหยุดชะงักลงหรือขณะที่มีอะไรมาขวางกั้นอุปสรรคหรือความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าพูด ง, ง่ายๆก็คือว่าผู้เชื่อที่เข้าสนิทจะมีเซนส์ครับเซนซิทิฟิตีสูงมากในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แต่เมื่อพระเจ้าตัดอะไรกับเขาเขาจะได้ยินพระเสียงของพระเจ้าเขาจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยและ เขาจะเชืนได้ทันทีว่านี่มาจากพระเจ้านี่มาจากมารจะมีวิญญาณแห่งการแยกแยะครับนะครับมีการมีของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ครับว่าเขาจะหานะครับแหล่งหล่อเลี้ยงนี้ได้จากไหนคําตอบก็คือจากการอธิษฐานครับจากการศึกษาพระคมภีจากการสารภาพบาปจากการตั้งใจที่จะเชื่อฟังและประพฤตินะครับตั้งใจที่จะเชื่อฟังและประพฤตินี่คือสิ่งที่เป็น ตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากในการที่เราจะบอกกับตัวเองว่าเราได้ติดสนิทกับพระเยซูนะครับอีกมุมหนึ่งครับก็คือว่าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูจะรู้ตัวด้วยนะครับเมื่อเขาถูกลิดขแขนเพียงกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวเมื่อชีวิตของเรานั้นเจออุปสรรคมีปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เราต้องกลับเนื้อกับตัวกับใจใหม่หรือเราต้องกลับมนต์พระพรของพระเจ้าหรือพระเจ้าอาจจะมีบทเรียนสอนเราในหลายๆายเรื่องคนที่ติดสนิจกับพระเจษกับพระเยซูคริสต์นั้นก็จะรู้ตัวครับเมื่อเขาถูกฤทธิ์นะครับเพราะว่าเขาจะได้ออกผลมากยิ่งขึ้นพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะทําให้เขาตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะเน้นเรื่องนี้นะครับเมื่อชีวิตของเรานั้นถูกฤทธิ์พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ จะทำให้เราตระหนักรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในชีวิตของเราแล้วและเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเกิดผลนะครับเป็นผลจากการติดสนิท ก, กับพระเยซูนะครับคนอื่นก็จะมองเห็นความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนี่คือผลของพระมิ ญ, ญานบริสุดครับเกิดผลมากในด้านนี้นะครับ เกิดผลมากในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราเองนั้นที่เป็นผู้ที่เชื่อที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราจะพบว่าตัวเองนั้นจะค่อยๆเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูมานานยังไม่เคยเกิดผลหรือเกิดผลน้อยหรือไม่มีพัฒนาการของการเกิดผลต้องถามตัวเองครับต้องตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าทําไมถึงไม่เกิดผลและต้องตั้งคําถามไปถึงเบสิกที่สุดก็คือว่าเราได้บังเกิดหมายจริงๆหรือเปล่าครับ นี่นะครับเราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแน่นอนครับเกิดผลครับแต่เกิดผลมากเกิดผลน้อยอยู่ที่เราครับเราจะต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นเข้าสนิทกับพระเยซูให้มากขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นคาถามของผมที่จะเรียนถามพี่น้องในเช้าวันนี้บางคนนะครับอาจจะต้องถูกลิดนะครับโดยการตัดนิสัยนะครับบางอย่างออกไป บางคนอาจจะต้องฝึกวินัยในตัวเขาเองเพื่อที่จะกําหนดให้ตัวเองบังคับตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและมีความตั้งใจนะครับในการที่จะเชื่อฟังบางคนนะครับจะต้องเริ่มตระหนักว่าเขาขาดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบางด้านของชีวิตนะครับพี่น้องครับคนจะมองเราว่าอย่างไงครับเมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซูคนจะมองเห็นพระเยซูจริงๆหรือเปล่าครับคนอื่นจะมองดูเราซึ่งเป็นขะแนง และแขนงนี้เกิดผลหรือกําลังเหี่ยวแห้งหรือเป็นโรคอยู่นะครับพระเจ้าจะทําไงครับเพื่อจะให้แขนงนั้นสมบูรณ์พี่น้องครับเราสามารถคิดถึงวิธีที่พระเจ้าจะลิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหรือเปล่าครับหรือเราสามารถที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะลิบอะไรในชีวิตของเราหรือเปล่าครับพระเจ้าเคยเอาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมที่ผมรักมากกว่าพระเจ้าออกไปพี่น้องครับผมคาดว่าพระองค์ก็จะ เอาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านที่ท่านรักมากกว่าพระองค์ออกไปและนี่คือการลิดครับบางครั้งพระองค์ปล่อยให้เราล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะรู้วา่าหากว่าเราพยายามทําด้วยตัวเองนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอว่าใจครับที่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมากแต่จะให้ในเช้าวันนี้พวกเราทั้งหลายจะมีโอกาสที่จะใข้ควรภาวนานะครับเพื่อที่เราจะเกิดผลมากนะครับ เราจะได้รับคำตอบในการอธิษฐานของเราเมื่อเราเกิดผลมากนะครับนี่เป็นประการที่หนึ่งเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้านะครับเมื่อเราเกิดผลมากนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามก็คือคนนะครับจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูนั่นคือการเป็นพยานครับประการสุดท้ายก็คือเราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นเต็มเปี่ยมนี่คือสิ่งที่พระเยซูสัญญาขอพระเจ้าอวยรพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านใน บทเรียนนี้เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่เกิดผลมากนะครับเป็นแขนงที่เกิดผลมากเป็นแขนงที่พร้อมที่จะรับการริกเป็นแขนงที่จะทําให้เป็นพยานและถาวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเราอาจจะต้องเ ส, รสารภาพบาปของเรานะครับเราอาจจะต้องบอกกับพระเจ้า ว, ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าองค์อยากจะเกิดผลถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเราจะต้องไม่มุ่งสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกนี้นะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหน ใจของเราก็อยู่ที่นั่นนะครับเราจะต้องเป็นแสงสว่างของพระเยซูเพื่อสะท้อนนะครับสะท้อนพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเรานะครับเราจะต้องสามารถเพาะพันธุ์เพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐในใจของเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เกิดผลให้เขาที่มาเป็นคริสเตียนมารู้จักพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งหรือเราจะต้องรับภาระในการดูแลคริสเตียนที่อ่อนแอเป็นแนงที่ไม่เกิดผล เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกทิ้งในไฟและแขนงที่เกิดผลน้อยเพื่อที่เขาจะถูกลิดจากพระเจ้าและเราจะเป็นเพื่อนที่จะช่วยกักของเขาพยุงเขาในการงานที่เขาถูกลิดเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าได้จเจรินขึ้นนะครับในฐานะที่เราเป็นแขนงหนึ่งในแถาองุ่นนี้ขอให้เราคิดถึงตัวเราเองความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนะครับและเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นแขนงของแถาองุ่นแท้นะครับ เราจะรับการหล่อเลี้ยงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราพร้อมที่จะสุกลิฟ์เพื่อที่จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน